อยู่บ้างท่าที่เจ็ที่แปดตอ็เอเเรื่องธรรมชาติรวยรวยธรรมชาตารวิทชัยนได้มาเสนอไว้คราวกอนแล้วก็คราวนี้ก็จะมีเอกสารอีกหนึ่งชุดนะที่มีของสิริวัฒน์สุนเทศนาเกษมสรุปประเด็น ความจริงผมที่มาตอนต้นคิดว่าจะคิดว่าจะไม่พูดก็เลยจึงมีกระดาษ2แผ่นตอนแรกตั้งใจว่าจะจะมอบกระดาษ2แผ่นนี้ให้กับผู้เข้าร่วมนะครับเพก็เข้าจะผิดเป็นดิดหน่อยนึกว่ามีคนที่รู้จักกันอยู่แล้วเช่นอาจารย์มอวิชัยอะไรเงี้ยนะครับอาจารย์ชัชวานอาจารย์สมเกียรติตอนที่คิดกันไว้ตอนที่ผมเข้าใจเนี่ยนะครับก็เลยจึงไปถ่ายสาเนา เอกสารซึ่งเป็นตำนาที่นักศึกษ า, าบันทึกไว้แล้วก็นํามาถอดทิม์เป็นบันทึกที่ผมผมพูดลานักศึกษาว่าผมจะไปแล้วแล้วเขาก็เลยถามผมว่าจะไปทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยก็กเลยเอามาซีรอกและตั้งใจว่าผมจะไม่พูดแล้เราจะเริ่มต้นในการสนทนากันเลยทีนี้แต่นี้พอมาเห็นว่ามีมีผู้เข้าร่วมมากว่าที่ผมคิดตอนเอกสารนี้ไม่ต้องแจกแวครับก็มีแค่สิบชุดเอง แล้วก็เลยจึงขอไม่แจกเอกสารแล้วอย่างนั้นทีนี้ประเด็นที่ตัญจาร์พูดนําไปแล้วก็คือต้องการให้ผมช่วยบอกเล่าประสบการณ์นะครับและบางเงินนะผมพอเล่าที่อื่นไปแล้วผมคิดว่าถ้ามาเล่าอีกก็เหมือนซ้ําก็เลยไม่รู้จะเล่าอย่างไงที่ไปที่กรุงเทพก็เล่ามาแล้วตัจาร์ก็นั่งฟังด้วยก็เลยถ้าเล่าอีกก็เล่าซ้ําเอาเป็นว่าผมพูดสั้นๆไม่ถึง45นาทีเลยอาจจะสักไม่เกิน10นาทีแล้วหลังจากนั้นเป็นสนทนากันจะดีกว่านะครับ สำหรับาบางท่านที่ไม่ได้รู้จักกับผมเป็นการส่วนตัวไว้ล่วงหน้าก็เป็นการพูดกับท่านเหล่านั้นเลยนะครับส่วนท่านที่รู้จักกันแล้วแล้วก็รู้กันนี้ว่าผมทําอะไรอยู่ก็คงไม่ก็ขอโทษด้วยที่ต้องเล่าเรื่องเป็นเรื่องเรื่องนี้ซ้ําก็คือผมได้ตัดสินใจคิดว่าชีวิตที่เหลืออยู่ไม่รู้ว่าเหลืออยู่นานหรือมากน้อยขนาดไหนเนี่ยนะครับแต่คิดว่าคงเหลือไม่มากแล้วสําหรับเกณฑ์ของคน ท, ทั่วไปก็เลยอยากจะใช้เชื้อ ชีวิตเวลาช่วงที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับทบทวนซึ่งผมเคยพูดเปรียบเทียบเหมือนกับว่าผมมีเวลาในทําข้อสอบเพราะฉะนั้นเมื่อเวลากใกล้จะหมดเนี่ยนะครับผมไม่เขียนใหม่แล้วแต่จะขออ่านทบทวนว่าที่เขียนไวแล้วเนี่ยพอใช้ได้ไหมหรือถ้ามันมีอะไรซึ่งยังไม่สมบูรณ์จะได้เขียนเสริมแล้วจะได้ส่งคาดาษกระดาษคําตอบด้วยความสบายใจว่าน่าจะสอบผ่าน ประมาณนี้นะครับในขณะที่เป็นนักศึกษามาเขาก็คือบางครั้งรู้สึกโทษเทตัวเองว่าความรู้มีอยู่แล้วก็ลืมเขียนไปอย่างนี้นะครับตอนเวลาที่ผมใช้ไปในช่วงสุดท้ายของชีวิตก็ตั้งใจว่าจะทําเหมือนกับนักศึกษาที่เมื่อเวลาใกล้จะหมดก็มาทบทวนกระดาษคําตอบว่าที่เขียนไปแล้วเนี่ยมีอะไรซึ่งยังพอจะเพิ่มเติมเสริมต่อได้บ้างเพราะฉะนั้นจึงใช้เวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในการทํา กิจที่เรียกว่าการทบทวนข้อสอบในชีวิตตัวเองทีนี้จะนั่งทบทวนอยู่ที่บ้านก็ดูเหมือนกับว่ามันทบทวนได้ไม่ไม่ดีเท่าที่ควรในความคิดของตัวเองเมื่อตะกี้ผมถามคุณพิดพบว่าหนังสือที่คุณพบแปลในชื่อจริงๆว่าอย่างไรเพราะผมอยากจะบอกว่าผมได้อ่านหนังสือของสาธิตกุมารและสาธิตกุมารได้ใช้วิธีเดินนะครับผมไม่ถึงกับเรียนแบบเพราะคิดว่าเรามีความต่างกันแต่ก็คิดว่าจะใช้การเดินเหมือนกันนะครับแล้วก็เชื่อว่าการเดินเป็นวิถีที่มีความศักดิ์สิทธิ์พอที่จะทําให้ผมเนี่ยนะครับ ได้มองเห็นสิ่งที่ตัวเองทําไปแล้วแล้วก็มีความซื่อสัตย์พอที่จะรู้ว่าสิ่งตัองทําไปเนี่ยยังผกร่องอยู่ตรงไหนและจะใช้เวลาส่วนที่เหลือแก้ไขกระดาษคําตอบเท่าที่พอจะแก้ได้นะครับผมใช้เวลาในการเดินถ้าจะพูดในการ9้าเดือนจริงมันก็ไม่นานเพราะว่ามันเดินได้เรื่อยๆแล้วก็เดินไปเร็วกว่าที่คิดมาก ตอนที่ลาอาจารย์ชัชวานรือลาใครต่อใครก็บอกว่าจะใช้เวลาประมาณ 3- าถึงหเดือนแต่เวลาไปเดินจริงๆกลับพบว่าเดินเร็วกว่าที่คิดเพราะตอนที่เดินไม่ได้คิดว่าเร็วหรือช้าแต่เดินไปเรื่อยๆแล้วก็ถึงที่กําหนดไว้เร็วเร็วมากนะครับเร็วมากจนอาจารย์ชัชวานจะส่งจดหมายไปต้อนรับผมยังส่งไม่ทันเลย <laughs> ผมต้อง <laughs> ผมต้องมารับจดหมายที่อาจารย์ชัชวาลด้วยตัวผมเองเนีประมาณนี้ครับท <c oughs> ั้งที่อาจารย์ชัชวาลเขียนจดหมายไว้ตอนรับผมเรียบร้อยกับว่าไปถึงบ้านปุ๊บ ก, ก็จะได้กล่าวได้มีหนังสือไปรับผมอยู่ฉบับหนึ่งประมาณนี้แต่ก็แม้ว่าจะเดินเร็วกว่าจดหมายแต่ก็ถือว่าความสําคัญคงอยู่ที่ได้อ่านจดหมายที่มีความไพเราะของอาจารย์ชัชวานรายละเอียดในระหว่างเดินทางผมคงไม่เล่าเป็นเป็นรายละเอียดเพราะเวลามันมีจํากัดแล้วเดี๋ยวเป็นว่าถ้ามีอะไรซึ่งเป็นประเด็นที่จะคุยกันก็เอาวาเราคุยกันตอนนั้น ตอนนี้เป็นเพียงแค่กล่าวว่าสิ่งที่ผมทําไปนั้นจริงๆผมเองมั่นใจแต่เวลามีคนบางคนมาซักมาถามและมีเสียงซุบชิบข้างหลังเนี่ยผมก็ชักเผล่อยู่นิดๆหน่อยๆตอนที่เริ่มจะทําเนี่ยนะครับแต่เมื่อทําเสร็จแล้วผมกลับมีความเชื่อมั่นเลยว่านี้เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในการมีชีวิตอยู่ครั้งหนึ่งของผมก็คือหมายความว่าการตัดสินใจทําครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ผมมีความรู้สึกว่าดีมากๆ เพราะสิ่งที่ผมได้ประสบพบขณะที่เดินไปนั้นนะครับหลายสิ่งนะครับจริงๆเราเคยคิดก่อนว่าจะเจออนั้นจะเจออย่างนี้นะครับแต่ผมเข้าใจว่าการการไปเจอจริงๆเนี่ยทำให้ผมรู้ว่าสิ่งที่เรียกกันว่าการประจักษ์แจ้งโดยที่ไม่ต้องใช้ระบบคิดเชิงเหตุผลเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่มีอะไรซึ่งซึ่งดีมากๆนะครับดีจนผมไม่รู้จะจะพูดว่าอย่างไรคือผมรู้อยู่แล้วว่าถ้าเราไม่กินข้าวมันย่อมหิว และถ้าเราหิวมากๆเราคงทุกทรมานแต่นี่เป็นเพียงแค่คิดเอานะครับจนกระทั่งวันหนึ่งว่าผมไปเดินและผมรู้ตัวว่าผมหิวหิวมากๆเหมือนกับชีวิตของผมกําลังจะจบลงเพราะไม่มีอาหารไปหล่อเลี้ยงร่างกายเนี่ยและมันมีความกระสับกระส่ายมีความทุรนทุรายมีความรู้สึกที่ยากที่จะพนันานาเนี่ยนะครับผมจึงรู้ว่าอาหารนี่มีความหมายต่อชีวิตมากเพียงไรนะครับแม้ก่อนนานั้น ผมยังจําได้ว่าในพุทธศาสนามีถามะเรีนปัญหาใช่ไหมครับที่ถามว่าอะไรเป็นหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านตอบว่าอาหารใช่ไหมครับซึ่งผมก็รู้อยู่แล้วว่านี่คือสิ่งที่มีความจําเป็นและสําคัญแต่ผมไม่เคยกระหนกรู้จริงๆเลยหรือแม้กระทั่งว่าในเชิงความคิดเหตุผลเรารู้อยู่แล้วว่าการกินอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายเพื่อให้ร่างกายนี้ดํารงอยู่ได้เพื่อขับเคลื่อนชีวิตไปได้แต่ก็รู้ด้วยความคิด แต่วันหนึ่งผมไปเดินและผมไม่ได้กินอาหารและวันหนึ่งและช่วงกันหนึ่งที่ได้กินอาหารเนี่ยผมรู้เลยว่าอาหารที่ผมกินไปเนี่ยเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตร่างกายผมให้ขับเคลื่อนเดินไปได้จริงๆแล้วมีอะไรซึ่งน่ามหัศจรรย์หรือแม้กระทั่งการที่ผมบอกว่าการที่เราได้มีโอกาสพบกับคนซึ่งเขาไม่รู้จักเราและเขาแสดงอากัปกิริยาท่าทางแปล ก, ปลกๆการที่เขาเข้าใจว่าเราเป็นคนบ้านะครับการที่เขาเข้าใจว่าเราเป็นคนที่ที่ไม่รู้ว่าจะ เขาจะตีความว่าอย่างไงแต่ท่าทีติเขาแสดงเราก็เพียงแต่คิดเอานะครับว่าเราน่าจะมีอารมณ์ความรู้สึกอย่างไงแต่วันหนึ่งเมื่อเราไปเจออย่างนั้นจริงๆเราก็บพบว่ามันมีอะไรหรือแม้กระทั่งการจินตนาการว่าการเดินทุกๆวันคงเหนื่อยแต่สุดท้ายเราก็ได้รู้ว่าสิ่งที่เราเจอเป็นเช่นไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกเล่าในเชิงเปประเด็นที่จะคุยกันหลังจากนี้นี่ก็คืออยากจะบอกว่าช่วงเวลาแห่งการใช้ชีวิตเช่นนั้นเป็นช่วงเวลาที่มหัศจรรย์ และเป็นช่วงเวลาที่ผมเองบอกตัวเองนะครับแต่ไม่ได้บอกให้ใครอื่นทําตามว่าผมตัดสินใจดีมากบางนี้ยกย่องปลกมือให้ตัวเองแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์สําหรับการกระทําเช่นนั้นวันที่ผมเดินถึงบ้านนะครับผมไม่เล่าฉากหรือเล่าฉากสุดท้ายจบเลย <c oughs> วันที่ผมเดินเดินทางกลับถึงบ้านเป็นเวลาเช้ามืดนะครับฝนตกเพิ่งหยุดแล้วผมกลับไปถึงบ้านก็เจอกับกระแสะคําถามที่ที่วางตั้งรออยู่เป็นเดือนแล้วเพราะเหตุว่า ญาติทางบ้านมผมทราบว่าผมเดินออกจากบ้านที่เชียงใหม่กลับไปบ้านที่เกาะสมุยเขามีข้อสรุปร่วมกันในบรรดาวงศ์สาคณะญาติว่าชีวิตครอบครัวผมจบแล้วนะครับเป็นชีวิตครอบครัวที่แตกสลายและเป็นสิ่งที่ที่น่าเสียใจมากๆที่เขาเคยภาคภูมิใจว่าเขามีญาติคนหนึ่งซึ่งมีชีวิตครอบครัวที่ดีงามเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นดูและตัวอย่างคนอื่นพูดถึงได้และวันหนึ่งเมื่อชีวิตที่เขาที่เขาคิดว่าดีเนี่ยนะครับมันมัน มันไม่ใช่มันเป็นภาพลวงตาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องเผชิญก็คือเครือญาติซึ่งรู้สึกเสียใจในความเป็นตัวผมซึ่งแต่ขลายไม่มีดีบ <c oughs> ้านสิ่งหนึ่งที่ผมจะต้องพูดก็คือไม่ใช่สิ่งที่ผมเผชิญอยู่นี้นะครับผมใช้เวลาต้องพูดให้ญาติพี่น้องที่ที่จะเรียกมาต้อนรับผมก็ไปได้พอเขารู้ว่าผมกลับมาถึงแล้วเขาก็แหกันไปก็บ้านเป็นอยู่ในเครือญาติซึ่ง ไ, ไหลายๆครับ เมื่อผมอธิบายให้ญาติพอเข้าใจแล้วสิ่งที่เขาพูดก็คือไปอาบน้ําเถอะแล้วจะได้กินข้าวด้วยกันเพราะเป็นเวลาที่ถึงเวลากินอาหารเช้าเนี่ยนะครับผมไม่ต้องรอเขาตื่นเรื่งที่สองเลยนะครับผมรีบเข้าห้องน้ําแล้วก็เพราะมันเป็นโลกที่ผมไม่ก็คือผมอยากจะได้โลกแบบนี้ที่สุดคือโลกส่วนตัวที่ไม่มีใครมาเห็นผมแล้วผมจําภาพได้ว่าเมื่อผมถอดเสื้อผ้าหมดที่จะอาบน้ําผมไม่ได้อาบน้ำเลยครับมัน มันจะบอกว่าร้องไห้ก็ใช่นะครับผมน้ําตาไหลแล้วรู้สึกตื้นตันทุกสิ่งทุกอย่างมันบอกไม่ถูกและในห้องน้ําที่ที่ผมอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยเป็นโลกส่วนตัวแล้วผมหลุดไปในโลกโลกหนึ่งที่ผมผมรู้สึกว่าดีที่สุดนะครับผมมีความรู้สึกผมคิดแล้วก็บันทึกไว้ว่าคฟ้ายๆเหมือนกับตอนที่ผมไปดูละคร น, นะครับที่เขาแสดงดีมากเลยเราชื่นชมมาก แล้วเมื่อถึงฉากสุดท้ายเนี่ยละครจบเนี่ยนะครับเขาจะเชิญนักแสดงทุกคนออกมาทีละคนทีละคนแล้วเราก็ปรบมือให้กับนักแสดงยิ่งต้าคนไหนที่เรารู้สึกชื่นชมเป็นพิเศษเราก็พยายามใช้พลังถ้าที่เรามีปรบมือให้เสียงดังที่สุดและนานที่สุดและการชื่นชมของเราเนี่ยเราไม่ได้ชื่นชมเฉพาะตัวพระเอกหรือนางเอกแต่เราชื่นชมแม้กระทั่งตัวผู้ร้ายที่ตอนที่เขาแสดงเนี่ย มันแสดงดีจนเรารู้สึกเกลียดชังไอ้ตัวละครตัวนั้นจนกระทั่งมันกับว่าเกลียดชังมากมเนี่ยแต่เวลาก็เชิญตัวแสดงคนนั้นออกมายืนหน้าเวทีแล้วก็ยิ้มให้กับผู้ชมเนี่ยนะครับเราปรบมือชื่นชมความเลวร้ายของเขาเนี่ยความรู้สึกว่าเขาแสดงได้ดีเหลือเกินน่ะและว้วตอนนั้นผมมีความรู้สึกว่าผมปรบมือให้ตัวเองเหมือนกับปรบมือให้กับแสดงดูละครที่บางครั้งผมแสดงตัวละครชั่วๆได้ดีจริงๆอะ่ะผมชั่วได้ดีที่สุด ไดบางโอกาสและผมก็รู้สึกว่าผมผมปลบมือให้กับความชั่วนะั้นที่มั น, ม, นมันชั่วจนดีชั่วจนใดผมรู้สึกว่าผมได้สัมผัสความชั่วที่ลึกซึ้งผมได้สัมผัสกับความเลวร้ายความตกต่ําแล้วผมรู้สึกว่าตอนนั้นมันคล้ายๆอย่างนั้นเลยนะครับก่า <L> ผมจะได้อนำนานะครับ <L> ผมไม่รู้เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่แต่ญาติที่เรากินข้าวอยู่คงรอนานนะแต่ขาคงไม่กล้าที่จะไปรบกวนอะไรผมว่าผมเข้าห้องน้ําจะไม่เขาอาจจะนึกว่าผมเข้าห้องน้ํานานตามปกติของผมแต่ความจริงคือผม ผมมีความรู้สึกว่าผมดีใจกับชีวิตของผมช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ชื่นชมตัวเองว่าตัวเองชั่วก็ชั่วได้ชั่วได้พอสมควรชั่วสมบทสมบาทนะครับถ้าตัวเองจะปร ะ, รประรมสบความล้มเหลวก็คือประสบความสาเร็จความล้มเหลวที่ดีอะไรเงี้ยนะครับและสุดท้ายทั้งความดีความชั่วความล้มเหลวความสาเร็จทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยกลายมาเป็นตัวผมที่ผมพอใจผมบอกตัวเองว่าผมภูมิใจที่ผมได้เป็นเช่นนี้แล้วก็อาบน้ําแล้วกลับมากินข้าวครับก็เล่าแค่นี้ก่อนครับที่ที่ชั่วนี่ชั่วไหม คือคือนลายอย่างนะตอนเป็นเด็กเราไม่เคยคิดเลยว่าการเป็นลักขโมยของคนอื่นเนี่ยมันจะชัว่วแต่เรามีความนึกสนุกอะ่ะนึกสนุกกันเช่นพวกผมตอนเป็นเด็กเนี่ยนะครับเล่นไพ่กันอยู่แล้วรู้สึกว่าหิวแล้วจะมีอะไรกินก็มึงไปขโมยไก่บ้านนั้นมาเราเราก็ไปขโมยไปกันสามคนประมาณนี้ยแล้วก็ขโมยไก่มาม า, มาต้มกินกันอย่างเงี้ยนะครับ เราทอดเรื่องบางเรื่องไม่น่าเล่าแต่ก็ก็ก็เล่าเพื่อให้ร่วมชั่วให้ผู้หญิงคนที่มันน่ารักนะถ้าเราไปฉุดมันน่าผ่องเนก็น่าจะดีอยู่พอสมควรแล้วเราก็ไปหาวิธีประทุษร้ายในสิ่งนี้เพอผมมาดูอีกทีหนึ่งมันเพียงแค่ความสนุกแค่นี้เพียงแค่อยากจะกินอะไรเพราะเราดึกแล้วเล่นไพ่กันจนดึกเนี่ยนะครับเราก็ไปลักขโมยของเขามาเราไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งอันนี้เป็ น, เ ป, นเป็นความชั่วช้าเลยาสาม ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเขาจะน้อมเนื้อถนอมตัวเป็นที่สุดเป็นเวลายาวนานด้วยความคาดหวังว่าเขาจะเก็บความเป็นผู้หญิงที่บริสะอาดบริสุทธิ์ไว้กับคนที่เขารักเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากเอาโอกาสบรรทุศรายกับเลยมันเป็นสินที่ที่ชั่วหรือจะบอกไรการสารภาพบาปเนี่ย <laughs> คือมันมันมีอันหนึ่งที่ผมเกิดความกระหนกรู้ขึ้นในตัวเองเนี่ยนะครับคือความชั่วไม่ว่าจะอยู่ที่เราหรืออยู่ที่ใครเนี่ยเรารู้สึกเหมือนกับว่าคนที่ทําชั่วนั้นนะ่ยมันน่าชิงชังรังเกยียจเส่นละเกินน่ะแล้วเรามีความรู้สึกว่าคนชั่วนั้นถ้าหลีกได้อย่าพบอย่าพบเลยนะครับแต่วันหนึ่งเม่อผมมาพบตรงนี้ผมบอกว่าจริงๆแล้วคนเรามันไม่มีสันดานที่จะชั่วแล้วลถ้าพอเราเปลี่ยคลิปขอโทษ ในเอกสารที่ผมจะแจกผมต้องการจะบอกว่าก่อนผมจะเดินไปเนี่ยนะครับผมมีเป้าอันหนึ่งที่เป็นเป้าหมายของผมในการเดินทางแต่เนี่ยก็ไม่ใช่อันหนึ่งอ่ะเป็นเป้าหมายที่ผมกําหนดไว้ชัดเจนตลอดตัวผมแต่ ก, ก, ก็กล่าวกับใครไม่ค่อยได้เพราะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเป็นนามธรรมมากคือผมคิดว่าในชีวิตของผมที่เป็นพุทธบริษัทและก็มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาด้วยความรู้สึกว่าตัวเองศรัทธาอย่างจริงจังไม่ได้ลังเลสงสัยว่าเป็นศาสนาที่ ที่น่าสงสัยเนี่ยครับทีนี้ความศรัทธาตรงนี้มันทำให้ผมเชื่อมั่นว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมาเนี่ยนะครว่าความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเป็นความเป็นอคุศลนเนียอาจจะเรีกว่าเป็นความไม่ดีก็ได้เนี่ยแล้วท่านก็สอนให้เราเนี่ยได้ได้ละสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับได้ละสิ่งเหล่านี้เสียและในความรู้สึกของผมว่าก็ในเมื่อผมนับถือพระพุทธศาสนาสมาทานพระรัตนตรัยเป็นสารณะเนี่ยและผมได้ทำตามที่ ที่พระพุทธเจ้าพระาศาสดาท่านบอกไว้แล้วหรือยังทําเต็มที่ทําสุดความสามารถแล้วหรือยังเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตผมเนี่ยผมควรจะได้ทําจะได้บรรลุอะไรหรือไม่บรรลุอะไรก็ช่างเถอะเพราะพระพุทธเจ้าเอางท่านก็เปิดช่องไว้ให้แก่ตัวอยู่แล้วว่าหลายภพหลายชาติว่าจะทําถึงนิ้เสร็จใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้มีข้อที่จะต้องไปกังวลมากแก้ตัวให้เสร็จแล้วแต่ผมก็ไม่ควรแก้ตัวด้วยกาบอกว่าเหลืออีกหลายภพหลายชาติว่าจะเอาไว้ชาติหน้าไปทำมันก็รู้สึกอะไระไรอยู่ทําแต่ชาตินี้แหละ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทําก็คือตั้งใจไว้เลยว่าการเดินในครั้งนี้เนี่ยนะครับจะเข้าออกจากความรู้สึกเสียดายซึ่งเป็นเป็นความรู้สึกซึ่งเกิดมาจากความโลภที่มันปรุงแต่งอยู่ในใจเนี่ยครับให้ออกไปจากความรู้สึกเกลียดชังซึ่งมันมีความโกรธเป็นเป็นอะไรที่ปรุแงแต่งให้ออกมาจากความกลัวซึ่งมีความหลงเป็นเป็นมูลฐานอยู่เ่ยนะครับตอนขณะที่เดินไปเนี่ยผมพยายามเป็นที่สุดนะครับพยายามเป็นที่สุดที่จะไม่ตัดสินใจหรือไม่กระทาการใดๆอันเป็นการสิ่ง แสดงว่าที่ทําเช่นนี้พระผมรู้สึกเสียดายที่ทําเช่นนี้พระผมรู้สึกเกลียดและผมรู้สึกกลัวอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นขณะที่ทําทุกๆขณะเนี่ยนะครับแม้ยามที่ผมหิวผมเล่าบทเรียนวันแรงที่ผมหิวสุดๆคือตอนที่ผมเดินจากอำเภอสันปะตองไปอําเภอจอมทองมันหิวมากเลยไปถึงวัดพระธาตุสีจอมทองที่เล่าอาจารย์ที่ประวินฟังว่าผมไปกลับไปที่วัดพระธาตุสีจอมทองเพื่อไปดูบรรยากาศไปถึงวัดพระธาตุสีจอมทองเวลาใกล้มืดแนละ้วไปถามแม่ชีว่า ผมจะขอพักที่นี่เนี่ยผมจะทำอย่างไรได้บ้างแม่ชีท่านก็แนะนำให้ผมพบกับสำนัก ง, งานเลขาของวัดนะครับซึ่งแม่แม่ชีประจําผมไปขออนุญาตท่านอนุญาตให้พักพอผมได้ไปที่พักแล้วเป็นศาลาด้านหลังไปนะครับที่เป็นศาลาราลาับอคารตุกะผมก็เขียนไปสนิบัตตามกิจที่กําหนดไว้ในใจว่าผมจะทําไปสนิบัตถ้ามีเวลาเขียนได้ผมก็เขียนไปสนิบัตพอเขียนจบรอบแล้วก็แผ่นนิดเดียวเขียนแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วก็เดินออกมาส่งไปสนิบัตที่หน้าวัด เดินหาตู้ไปสเนีก็เจอมันไม่ไกลจากวัดเท่าไร่ตอนนั้นผมหิวมากเลยผมเห็นร้านอาหารที่ที่เป็นแผงอยู่ด้านหน้าวัดซึ่งคนนั่งกินอาหารเนี่ยกลิ่นอาหารผัดกระเพราอะไรไม่รู้อะข้าวนี่มันมันหอมมันทําให้ผมรู้สึกเหมือนกับว่าถ้ากูได้กินอาหารนี่คงขึ้นสวรรค์นะสวรรค์ที่กูเคยฝ่าันที่จะขึ้นเนี่ยมันคงได้ขึ้นกันตอนนี้แต่แต่มันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าไม่ใช่อ่ะแล้วผมเดินเข้าไปในวัดเดินเข้าไปในวัดมันเหมือนกับ อะไรและผมเดินตรองนั้นข้างนอกเนีอากาศมืดแล้วแต่ในกุฏิจะทั้งนี้สว่างไปหมดผมเดินเดินผ่านกุฏิของท่านพระครูอาทรน่ะที่ท่านอยู่ที่วัดนี้ท่านนั่งคุยอยู่กับโยมสองคนผมเดินผ่านหน้ากุฏิท่านไปข้างในมันสวา่างเห็นท่านนั่งคุยอยู่ในใจหนึ่งแวบบหนึ่งก็คือมีความรู้สึกว่าไปกราบท่านซะหน่อยแล้วก็พยายามทจะเดินเข้าไปหันหน้าเข้าไปก็เดินผ่านแล้วก็หันหน้าไปที่จะไ ป, ไ, ปไปที่กระจกประตูเนี่ยนะครับแต่ทันทีที่จะผลักประตูมันมีคําถามขึ้นมาว่า นี่ผมจะไปกราบพระหรือผมจะไปขอข้าวกินถ้าในความรู้สึกอันหนึ่งก็คือถ้าเราไปหาพระองค์หนึ่งที่รู้จักกันเช่นสมมติผมไปเจออาจารย์มาสังหานั่งอยู่เนี่ยนะท่านก็ต้องถามว่าอาจารย์เป็นไงมาจากไหนใช่ไหมจะต้องถามว่าเป็นยังไงมายังไงแล้วผมถ้าท่านถามว่ากินข้าวหรื อ, อยังผมจะโกหกก็ไม่ใช่ผมตั้งสัจจะปฏิญญาไปแล้วว่าผมจะไม่โกหกประมาณนี้นะและพอรู้ว่าผมยังไม่ได้กินข้าวตอนเย็นมืดแล้วนี่ท่านคงสั่งลูกศิษย์หรือาอาจจะบอกว่ากินอะไรนิดนหน่อยหอยแล้วผมได้กินอะไรอนยะ วันทันทีที่ผมกําลังจะผลักประตูเข้าไปเพื่อจะกราบหรือทักทายท่านประครูอาทรทั้งนิดหนึ่งเนี่ยมันมีกิดโดยรวงถามเลยว่ามึงจะเข้าไปกราบพระหรือมึงจะไปขอข้าวกินแล้วความรู้สึกมันกับว่าที่เราออกมาจากบ้านเนี่ยนะที่เราต้องต้องให้ภรรยาซึ่งเขาก็เป็นห่วงเราใช่แล้วเกินนอนอยู่เป็นห่วงที่บ้านเนี่ยแล้ววันหนึ่งเราจะมาทําเพียงเพื่อว่าจะได้กินข้าวเนี่ยผมว่ามันมันน่าอายอะ่ะแล้วคุณท่าผมก็เดินหันหลังให้กับปุตติพะแล้วก็ไปนอน ไปนอนแล้วพอไปพอได้ล้มตัวลงนอนแล้วก็รู้สึกดีมากเลยที่ว่าเออกยูยังรักษาตัวของกูไว้ได้นะครับถ้ามันจะเป็นลมสลบตายไปในคืนนี้ก็อย่าง น, น้อยก็เราประสบความสําเร็จที่เราไม่ยอมแพ้ต่อความหิวที่มันเข้ามารบกวนจิตใจของเราอารมณ์อย่างเนี้ยนะครับมันจะมีตลอดตลอดช่วงของการเดินที่ที่บางครั้งเจอกับความกลัวที่มันกลัวกลัวในสิ่งที่เราไม่รู้กลัวอะไรอย่เงี้ยนะครับ ผมเล่าให้หายที่ฟังว่าตอนที่ผมเดินไปที่อำเภอตอนนั้นผมเดินบนรถทางรถไฟแล้วมันเดินไม่ได้ตามที่คิดหรอกเพราะแทนที่ว่าจะถึงอำเภอหลังสวนใช่ก่อนจะมืดมันก็กลายเป็นว่าผมจะมืดแล้วยังไม่ถึงอำเภอหลังสวนสุดท้ายผมก็ต้องหาที่นอนระหว่างทางที่นี่ที่นอนซึ่งเป็นถนนรถไฟเหมือนถนนรถขับรถไฟมันไม่ค่อยมีชุมชนผมเห็นบ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ในสวนยางผมเข้าไปถามว่าจะมีวัดคือมีที่ผมพักได้ไหมเพราะตอนั้นผมตั้งใจแล้วว่าจะไม่พักที่บ้านอีกแล้วเพราะที่บ้านนี้ผมไม่พักแล้วมันเกิดปัญหาว่า คนบางคนเขาอนุญาตได้พักแต่บรรดาสมาชิกในบ้านบางทีก็ไม่สบายใจลูกเขาไม่สบายใจว่าเอาคนแปลกหน้ามาพักที่บ้านจะดูทีวีก็ไม่สนุกอะไรเงี้ยนะครับผมรู้สึกว่าผมไม่ควรทำเพราะผมก็ตั้งใจว่าจะไม่นอนที่บ้านยกเว้นสมาชิกทุกคนในบ้านนั้นมีความสุขและมีความพอใจที่จใจผมพักเขาก็บอกว่าไม่มีวัดแต่มันมีถ้าซึ่งพระเดินมาพักอยู่บ่อยๆไปพักได้แลว้วเขาก็ชี้ไปที่ภูเขาลูกหนึ่ง ผมก็เลยเดินต่อไปเดินรีบมากตอนนั้นเพราะมันเวลาใกล้จะมืดแล้วผมเดินไปอีกทีก็ไปเจอบ้านอีกหลังหนึ่งกำลังทําข้าวหลามเอาเอาไอ้กาบมาพระมาเผาไฟแล้วก็มีข้าวหลามเป็นแถวเรียงเนี่ยผมก็เลยเข้าไปถามอีกทีว่าผมต้องการจะเดินไปที่เขาที่มีถ้านะจะเดินไปทางไหนเขาบอกว่าเนี่ยเดินไปเดินไปทางนี้ก็ได้หรือจะเดินลัดไปทางบ้านเขาก็ได้เขาบอกบ้านเขานี่ไปทางนี้อ่าและพอผมพูดเป็นภาษาภาคใต้เขาก็เลยเขาบอกนั่งก่อนหยุดก่อนกินน้ำก่อนนะเขายกน้ำมาให้กินพอคุยกันเป็นสักพักเขาก็ยกข้าวหลามมาให อพอคุยกันไปสักพักพอเขารู้ละเอียดมากขึ้นเขาบอกว่าทําไมล่ะเขาบอกผมจะต้องไปหาที่นอนอย่างนี้พอคุยเป็นสักเข้าไว้เนื้อเชื่อใจผมต้องบอกนอนที่บ้านเขามากับเขาก็ได้เขาบอกผมถามว่าอยู่กันกี่คนเขาบอกเนี่ยก็อยู่เขาแล้วก็ภรรยาแล้วก็มีลูกอีกคนหนึ่งผมก็ถามว่าลูกอายุเท่าไหร่แล้วเขาก็าจามายุลูกไม่ได้คือผมอยากจะกเช็คดูว่าถ้าเป็นเด็กเด็กเข า, าจะกังวลว่าจะได้ดูการ์ตูนแล้วจะไม่ได้ดูประมาณนี้ใช่ไหมก็ <c oughs> ถามว่าเรียนหนังสือที่ไหนเขาบอกเรียนที่วิทยาลัยการอาชีพหลังสวนอ่าก็ของโตปพอสมควร ผมก็เลยบอกว่าอยู่กันสามคนก็ดูภรรยาก็เต็มใจสามีก็เต็มใจลูกนี่ไม่เจอแต่ก็ ด, ดูผมก็ยังไม่ได้ตกลงใจว่าจะนอนหรือไม่นอนแต่สุดท้ายตอนที่เขาบอกว่าผมควรนอนนี่เขาอ้างเหตุผลในทีนี้เขาอ้างเหตุผลว่าที่ถ้าเนี่ยนะน่ากลัวมีงูใหญ่เขาว่าอย่างนั้นตอนแรกงูใหญ่ในผมก็นึกว่าเป็นงูตัวใหญ่ๆนะแต่พอเขาคุยไปสักพักปรากฏนั้นไม่ใช่งูใหญ่ในความหมายที่เราคิด เพราไปละเล่าไฟงูมันกลายเป็นอะไรที่เป็นเจ้าแม่เป็นเจ้าแม่ที่มันเป็นเป็นอะไรที่น่ากลัวนะและผมก็บอกว่าไม่เป็นไรเหมือนผมมาดีนะครับผมมาดีและผมไม่ได้มีจิตคิดปฏิทุสลายและที่สําคัญคือผมตั้งจิตไปแล้วว่าถ้าวิบากกรรมที่ผมเคยไปทําไว้มันควรจะมาตัดรอนชีวิตผมนะที่ใดที่หนึ่งผมคิดว่าเจ้าแม่ถ้าท่านจะต้องการชีวิตผมผมก็มาถูกแล้วผมควรจะถวายชีวิตนี้ท่านใช่แล้วก็เราจะได้จบสิ้นกันไปพอเขาพูดเรื่องเจ้าแม่ ผมก็ยังยืนยันจะไปนอนเนี่ยนะเขาบอกว่าแต่น่ากลัวนะมีพระทูดงมาพักที่นี่เมื่อไม่นานมานี้แล้วท่านเพิ่งผูกคอตายไปผมแล้วผมเอ๊มันขู่หรอเปล่าไอ้คี้เขาไม่ได้ขู่แต่เขามีเจตนาจะเล่าว่าอย่าไปเลยอย่าไปเลยนอนที่บ้านกับเขานี่แหละแต่สุดท้ายถึงที่ผมเขาก็เล่าจบแล้วผมมีความรู้สึกว่าเกายังไงต้องไปมันมืดแล้วเนี่ยนะแล้วผมก็เลยถามตัวเองว่าผมจะนอนกับเขาหรือจะนอน ที่ถ้ำตามที่ตั้งใจเนี่ยนะครับสุดท้ายผมบอกผมต้องไปนอนถ้ำแล้วเป็นอย่างนี้ถ้าผมตัดสินใจนอนกับเขาก็เท่ากับว่าผมกลัวและความกลัวที่ผมควรจะได้เผชิญก็สูญเสียโอกาสไปสุดท้ายผมก็ยืนยันที่จะไปนอนที่ถ้าตามที่ผมตั้งใจเลยนะครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้เพื่อเพื่อจะบอกว่ามันมันเป็นอะไรที่ที่ผมมีความรู้สึกดีมากที่ได้มีโอกาสพบเจอกับสภาวะการเช่นนั้นและจากนผมได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจผมจริงๆ ที่ผมเจอตอนเดินเนี่ยใช่ไหมครับนนตอนนี้เพราะตอนนี้ผมก็เรียนรู้ดีอย่างเงี้ยครับคือห ม, มายความว่าได้รู้ว่าชีวิตที่เองเหลืออยู่เนี่ยมันก็เป็นชีวิตที่ <c oughs> ท, ที่ที่มีอะไรให้รู้เยอะ ได้หรือเปล่าก็ผมก็อาจจะ ม, มีความสามารถที่จะตอบคือผมมีความรู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตมันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นอะไรที่แปลกไปผมก็ยังมีปฏิกิริยาโต้ตอบสิ่งต่างๆได้เหมือนเดิมยังมีความรู้สึกอะไรเหมือนเดิมแต่มันมีอะไรบางอย่างที่เช่นผมเล่ากันแล้วกันเดี๋ยวอาจารย์เทพวินจะเป็นตัวอย่างให้ผมเป็นได้ว่าวันหนึ่งผมขับรถไปปัตตุมงก์ปกติผมเดินแต่วันนั้นไม่รู้เหตุไดผมขับรถ ผมก็ไปขับรถประจม่ประเจออุบัติเหตุคือเมา่อความผมขับรถข้ามครองชลประธานที่เข้าวัดอุโมงเนี่ยครับเรามีมอเตอร์ไซค์กันหนึ่งมอชนผมตกใจมากเลยตกใจสุดๆเลยมอเตอร์ไซค์ชนแล้วก็เขาก็นอนกลิ้งอยู่บนถนนหมวกระ น, น็อกก็ยังไม่หลุดออกไปจากหัวก็เนี่ยนะผมหยุดรถแล้วก็วิ่งเข้าไปอุ้มเขาดีใจใจเชื้นขึ้นมาเมื่อเขายังมีชีวิตอยู่นะครับยังมีชีวิตอยู่เป็นความรู้สึกที่แล้วผมถามเขาว่าเจ็บอะไรบ้างไหมเขาบอกว่ามันมันเจ็บแล้วก็บอก เขาเก็บเก็บตรงไหนบ้างเขาเจ็บเขาบอกพี่เนี่ยผมบอกถ้าอย่างนั้นคมเกรงว่าตอนนั้นกระดูกอะไรของเขาอาจจะเป็นปัญหาแล้วผมก็มีความรู้ว่าเมื่อผู้ผู้ประสบภรยพิบัตเช่นนี้เราไม่ควรเคลื่อนย้ายผมบอกว่าคนั้นอยากขยิบผมก็เอามือไปซ้อนไปใต้แขนเขานะครับแล้วก็โอบกอดเขาไว้แล้วก็บอกนั่งเฉยๆนอ น, นเฉยๆแล้วผมก็ให้เขานอนแล้วผมก็เรียกคนที่วิ่งมาดูเพราะมีเสียงโคมดังมากดังใหญ่เนี่ยนะครับบอกว่าช่วยรถช่วยเรียกรถของโรงพยาบาลหรือหน่วยผู้พิที่ไหนก็ได้ให้มารับ เขาไปที่ไปส่งที่โรมานส้นดอกอย่างเงี้ยนะครับช่วงที่ผมนั่งประคองเขาอยู่เนี่ยนะครับก็พยายามจะตอดหัวกันน็อกให้เขานะครับเพื่อให้เขารู้สึกแบบว่ามันไม่มีอะไรเกะกะแล้วผมก็ผมผมไม่รู้จะพูดอะไรกับเขาแต่ความรู้สึกของผมตอนนั้นคือผมรู้สึกสุดแย่นี่ผมเ พ, เพื่อจะบอกว่าผมก็ไม่ได้เป็นคนดีเดชเข้มแข็งอะไรเลยรู้สึกแย่ในชีวิตมากๆเลยแย่ว่าทําไมผมจึงเกะกะกีดขวางจนกระทั่งว่าทําให้คนคนหนึ่งต้องบาดเจ็บคนคนหนึ่งต้อง ต้องมาเจอสภาพนี้นะครับเป็นความรู้สึกที่มันมันมันสำนึกผิดอ่ะผมผมไม่รู้จะบอกว่ายัางไงนะตอนที่มีรถหน่วยกู้ภัยติดไฟมาแล้วก็รับเขาไปแล้วเนี่ยนะพอรับเขาไปแล้วสักพักตรำรวจก็มานะครับตรำรวจจากโรงพักภูพิงเรียมาพราะตำรวจมาตำรวจเจ้าหน้าที่นายหนึ่งก็มีวิทยุมีแฟ้มอะไรติดเห็นมาลงงานด้วยเนี่ยนะครับ แล้วเขาก็ะถามคนดังนั้นว่าใครเป็นคนเนี่ยผมก็ยกมือเลยนะครับบอกผมเนี่ยครับที่ทําผิดแล้วเขาก็ทํามเขาจะมีขวดสเปรย์จะถ่ายรูปอะไรประมาณนี้นะที่ก็ะจังฉีดเนี่ยก็ผมบอกว่าจะสอบสวนก็ได้จะไม่สอบสวนก็ได้แต่ความผิดทั้งหมดอยู่ที่ผมถ้ามีอะไรเป็นความผิดแล้วต้องชดเชยเสียหายกันได้ถ้าผมมีความสามารถกำลังทรัพย์จะชดเชยผมก็ชดเชยถ้าถึงขั้นต้องเสียชีวิตชดเชยผมก็ยินดีจะชดเชย เ, เขาก็งงแล้วไม่รู้จะสอบทำไมเราเป็นนี้ก็ครูครานี้ร้อยสารภาพร้อยเปแล้วเรเป็นอย่างนี้ เขาบอกว่าก็ถ้ารับผิดกันแล้วก็ไม่เป็นไม่ต้องไม่ต้องสอบประมาณนี้นะเขาก็ขอบัตรประจําตัวผมผมก็ดึงบัตรประจาตัวให้เมื่เกิผมไปดึงอบัตรประจําตัวข้าราชการบํานาห์มองออกเป็นอาจารย์หนึ่บอกว่าเไม่ใช่ครับตอนนี้ออกมาแล้วเขาไปดูละเอียดเพราะมันเป็นบัตรมอชจะไม่แต่จริงมันเป็นบัตรข้าราชการที่บำนาห์ไปแล้วเขาบอกอย่างนั้นก็ถ้าอาจารย์รับผิดชอบก็ไม่เป็นปัญหาอะไรก็เขาก็สั่งให้ลูกน้องเขาเอารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นบนรถปิก up ของเขาแล้วก็ขับกลับไปแล้วก็บอกให้ผมตามไปที่โรงพัก ผมบอกว่าผมขอไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลก่อนได้ไหมเขาได้ไปจะจะกลับไปหาเขาตอนไหนก็ได้อะไรเงี้ยผมก็ไปโรงพยาบาลแต่ว่าพอไปถึงปรากฏว่าคู่กรณีผมกลับบ้านเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ถามถามเจ้าหน้าที่รพยาบาลก็บอกไม่ได้บาดเจ็บาอะไรเลย <c oughs> ผมก็เอ๊ะมันเป็นยังไงก็ผมชนแรงรอาจจะยังดังแรงอาจจะไม่แล้ว ม, มันน่าจะเจ็บอะไรมากเลยเขาไมของอผมไม่ได้ครับผมอยากให้เขาเจ็บอะแต่หมายความถึงว่าหรือเขาเขาจะพูดอะไรผมก็ไม่ไว้ใจนะผมก็ไม่ไว้ใจผมก็ตามไปที่โรงพัก ตำรวจคนที่รับผิดชอบก็บอกว่าจะมาอีกครั้งก็คือถ้าไม่มีคู่กรณีมาเขาก็ไม่จะสอบสวนอะไรก็พาคู่กรณีมาก็จะตกลงกันผมก็เลยกลับมาพอกลับมาแล้วผมก็พยายามขอปัดมามาหานักศึกษาก็เจอนักศึกษาคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วผมก็จําได้ผมก็ใช้สิทธิ์ความเป็นอดีตอาจารย์เขาบอกว่าคุณช่วยเหลือผมหน่อยได้ไหมเขาบอกเป็นไงพาผมไปที่หนึ่งแล้วผมก็เพราะผมไปขอชื่อที่อยู่ของเขามาแล้วจากโรงพยาบาลก็ไปไปเยี่ยมเขา พอไปเยี่ยมเขาแล้วผมก็ไปขอโทษเขาไปอะไรเขาเนี่ยนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมที่ผมอยากจะอยากจะเล่าแต่เป็นคำพูดซึ่งเขาจะพูดด้วยความรู้สึกยังไงผมก็ไม่กล้า ย, ยืนยันนะครับแต่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเขานอนอยู่นะเขานอนแล้วผมผมบอกว่าให้เขาไปเอ็กซเรย์ให ม, ม่ผมก็พยายามพูดมันก็ให้เขาเจ็บให้ได้อะ <c oughs> คือผมบอกไปเชื่อเอ็กซเรย์ใหม่เพราะว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยเราต้องเอ็กซเรย์ให้ละเอียดว่ามันมีการเสียหายในนั้นคือ หมอเขบอกไม่เป็นอะไรเข า, าอาจจะไม่ละเอียดผมก็เลยขอให้เขาไปเอกซเรย์ที่โรงพยาบาลส้นดอกใหม่เอกซเรย์สมองเอกซเรย์ ray, ok, ray, กระดูกให้หมดอย่างนั้นเลยนะครับก็ mm hmm. เ, เลยบอกพรุ่งนี้เขาจะไปอย่างนั้นแล้วผมก็ขอโทษเขาแต่คําพูดหนึ่งที่เขาพูดกับผมเป็นคําพูดซึ่งผมรู้สึกรู้สึกตีความที่ดีมากๆคือเขาบอกว่าดิฉันขอโทษอาจารย์ด้วยที่ทําให้อาจารย์เดือดร้อนวุ่นวายเป็นคําพูดซึ่งผมฟังและผมมีความรู้สึกที่ คือไม่ได้หมายความว่าผมผิดหรือถูกแต่ผมเข้าใจว่าขณะที่เราแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบกันเนี่ยก็คงได้สัมผัสรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างว่าผมมีเจตนาที่จะแสดงอะไรบางสิ่งบางอย่างคือผมไม่เคยคิดอยู่ในใจเลยว่าชวยแท้ๆวันนี้ที่กูเป็นเช่นนี้อะไรเงี้ยนะครับแต่ผมมีความรู้สึกว่าผมเนี่ยทาผิดผิดจริงๆเลยที่ไปฝังทางกระต้องเขาต้องรักตัวกลัวตายเรื่องอะไรเขาจะสนุกกับการเอารถมอเตอร์ไซค์้ามาชนรถผมใช่ไหมเขาเขา เขาเก็บอ่ะเขาเสียหายอ่ะแล้วผมก็สแสดงความรับผิดพอผมไปสแสดงความรับผิดเขาก็ยังมีอุตส่าห์มีน้ำใจมาขอโทษว่าทำให้ผมเดือดร้อนประมาณบัลหลังผมจึงขออาจารย์เทพประวินเนี่ยพาผมกลับไปอีกทีหนึ่งเพื่อจะไปเยี่ยมเขาให้สบายใจว่าหลังจากไปเอ็กซเรย์มาแล้วใช่ไหมครับมีอะไรบ้างเนี่ยนะครับอาจารย์เทพประวินก็พาผมไปที่บ้านที่เราไปกันเนี่ยนะครับผมเล่าเรื่องนี้อาจารย์พีระพงศ์สั่งไม่ได้ไหมายความเรื่องเกี่ยวกับการเดินแต่กําลังจะบอกว่าในสภาว่าที่มันเป็นอารมณ์จิตใจแบบนี้ผเพราะว่ามันมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นในใใจผม คือความรู้สึกที่ถ้าเป็นเมื่อก่อนผมผมคิดว่าเฮ้ยคารับมาชนรถผมไนดะ้ยังไง ร, รถผมก็เสียซ่อมไปหลายพันนะผมซ่อมรถผมไปเจ็ดพันกว่าบาทและไปซ่อมมอเตอร์ไซค์ให้เขานะครับจริงๆมอเตอร์ไซค์ของเขาเนี่ยพอไปพอเอาไปซ่อมแล้วร้านซ่อมอคิด 1,500 ระกว่าบาท ผมก็ให้เงินลูกชายเขาส0งพบอกว่าเผื่อช่างเขาเขาคิดผิดคุณเกไปเลยเผื่อเพราะว่าพอเขมไปเขาอาจจเจออะไรที่มันเสียมากกว่านั้นก็ได้ก็ให้เงินก็าสองพันอย่างเงี้ยนะครับคือเขาเองก็ไม่ต้องการเรียกร้องอะไรจากผมก็เขาบอกว่าไม่หรอกเขาบอกว่าต่างก็ผิดด้วยกันเขาบอกว่ามันเราเราคงทำคำไม่ดีกันด้วยกันอย่ผมบอกไม่หรอกที่อดีตเราทำคำไม่ดีกันไหมแต่การที่เราชนกันเนี้ยนะขอให้เป็นคําดีที่เราจะได้มีมิตรภาพต่อกันละกันขอให้เราได้ ได้ได้มีอะไรที่อยาอยารับเสียหายผมไม่แคร์หรอกแต่ย้ายจิตใจเราชารุดเสียหายผมมีความรู้สึกสำนึกผิดขออย่าได้มีความเกลียดชังกันในใจผมเล่าตรงนี้เพียงเพื่อจะตอบท่านเท่านั้นเองนะครับว่าผมเข้าใจว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตัวผมไม่ได้เป็นความดีความชั่วที่ผมอยากจะเอามาอวดแต่เป็นความรู้สึก <l ake campaign> ลึกๆเท่ง น, นั้นเองว่าสิ่งนี้เป็นผลมาจากการที่ผมได้สำนึกว่าชีวิตผมผมที่ยังเหลืออยู่เนี่ยนะครับมันเป็นชีวิตที่ผู้อื่นให้ผมมาเพราะถ้าชีวิตนี้ไปเกลียดกะเกลียดถางฟา ง, า ง, า ง, างขอ ง, งคนอื right ่นผมกคววรรจะมมีาับบผิดชอ โอเค เหมือนกันครับอารยมอเตอร์ไซค์ชนแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่โรงพักแม่ปิงผมก็ถามว่าเหตุเกิดจากอะไรมันไม่มีเหตุรอกอาจารย์ต่างคนต่างประมาทคือผ่าไฟแดงไปเลยทั้งคู่เสร็จกับเรียบร้อยอีกคนหนึ่งเป็นนักศึกษาในหมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกคนหนึ่งก็เป็นคนเรีย่ยคนลอยแต่ทั้งคู่เนี่ยรู้แล้วหรอว่าตัวเองปิดทั้งคู่ก็เลยไม่เอาความซึ่งกันและกันทีนี้ผมกําลังจะยกเห็นว่า พอไปถึงที่โรงพักแม่ปินเสร็จนาํตำรวจซึ่งเป็นสารวัตรเบรเนี่ยคุยอะไรก็ไม่รู้เราพูดถึงเรื่องถ้ามีถ้ามีามมกรณีคดีงี้ก็ต้องมีบุคคลที่3หรือคนที่ไว้ใจเข้าไปนั่งฟังได้ด้วยพ้นเป็นสิทธิทางกฎหมาย ป, ปรากฏว่านักศึกษาเนี่ยได้สิธิในการที่าะให้คนข้างนอกเนี่ยเข้าไปนั่งฟังด้วยแล้วคนทนเผาเนี่ยไม่ได้สิทธิ ให้คนข้างนอกเก็ไปนั่งฝังด้วยผมกําลังตั้งประเด็นว่านี่คือความวานี่คือคือสังคมมันเป็นอย่างเนี้เป็นสุดท้ายเนี่ยแต่นักศึกษาเขาก็บอกเขาไม่เอาความนะครับคนนี้เขาก็ไม่เอาความแต่ตำรวจบอกว่าต้องหาคนผิดให้ได้อาจารย์เข้าใจครับคือต้องหาคนผิดมาลงโทษได้ด้คื อ, อท้งๆที่ทั้ทงคู่มันมันตรงข้ามกับกรณีอาจารย์นะบอกว่าถนะ้าไม่มีค <und> <remained S 2> ู่กรณีมาอาความเนี่ย ม, มันก็ไม่เป็นาปักําลังแต่เรื่องของสํานึกเนี่ยมันไม่ใช้เกิดขึ้นที่ตัวเราด้าเดี่ยวมันมีมันมีเงื่อนไขสานึกของคนที่เป็นคนที่มีอำนาจสานึกในเงื่อนไขของความที่เป็นคนเหมือนกันสํานึกในเงื่อนไขของชาติพันธุ์หรือว่าเรามองว่าเขาเขาเป็นคนเหมือนเหมือนเหมือนกับเราไหมก็ผมคิดว่าไอ้ปัจจัยเงื่อนไขเหล่านี้รู้ว่าแต่นําไปสู่เรื่องของ การการภาวนาต่อชีวิตทั้งนั้นอ่ะดังนั้นผมที่ยกประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะบอกว่าแท้ที่จริงแล้วมันมันจะทําให้ให้ทุกส่วนผมให้ว่าทุกส่วนอาจจะไม่ได้เป็นจริงทั้งหมดนะครับมีมีสํานึกอย่างที่อาจารย์ตั้งประเด็นไว้ว่าจะพูดว่าอย่างเช่นไปหาเขาเขาก็บอกว่าขอโทษด้วยที่ทําให้อาจารย์ลำบากอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอาจารย์ไปก็เพราะว่า มีประเด็นคือว่าเราต้องการที่จะไปดูให้แน่ชัดอันนี้มันเป็นความรบับผิดชอบต่อชีวิตต่อชีชวิตต่อชีวิตนะแต่ประเด็นสําคัญที่สุดก็คือว่าที่อาจารย์พูดถึงก็คือว่ามันมีมันมีหลักการที่บอกว่าชาตินี้อาจจะไม่ได้ต้องดําดีนขอชาติหน้าก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยคนที่เขาไม่เข้าขันในชาตินี้มันก็เลยเท่าไหร่ก็ไม่พอก็ขอไปใช้ชาติหน้าอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้น รูปลักแบบสามัญชนแบบเรามันจะหลุดพ้นถึงภาวะแบบที่ทยากต้องการไหมผมตอบตอบไม่ได้นะครับแต่ผมอยากจะตอบคือเพระจริงๆในปัจจุบันถ้าว่าผมยังกลัวว่าก็กลัวอยู่คือลึกๆนี่ผู้กันสาภาพวันตรงๆลึกๆเนี่ยก็ยังกลัวอยู่แต่สิ่งที่เราพยายามก็คือพยายามที่จะเรียนรู้ว่าเราจะเผชิญกับความกลัวอย่างไรผมยกตัวอย่างนะครับตัวอย่างหยาบๆ ผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นวัฒนธรรมผสมกับธรรมชาติที่ผมมีอยู่ด้วยเช่นตัวงูตัวอย่างเนี้นะครับผมตัวงูมากปกติรตเราโทษงูตอนเล็กๆเข้าไปในห้องน้ำผมยังเรียกอาจารย์ชุบฟองมาช่วยไล่เลยตัวตัวสัน่นผมเราอยู่ในบ้านสองคนผมเป็นผู้ชายเนี่ยมันควรจะดูแลครับแต่ผมกลัวจนตัวสันนะ่นอ่ะยังกลัวจนตัวสันนะ่นแล้วเรียกอาจารย์ชุบฟองมาช่วยกันไล่งูเนี่ยแต่ว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมเดินไปเนี่ยนะครับ แล้วผมไปเห็นงูที่ถูกรถทับแล้วมันมันไปไม่ได้อแต่มันยังไม่ตายมันไม่ตายแล้วผมเห็นปุ๊บผมก็ตกใจกลัวนิดๆตอนนั้นกลัวมากๆเพราะว่ามันรู้มันมันไม่กัดผมแน่แล้วเพราะมันมันมันจะตายอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมก็สงสารมันมากจะทํายังไงจะช่วยยังไงตอนนั้นคิดว่าจะช่วยได้นะครับก็พยายามเดินเข้าไปแล้วนั่งลงใกล้ๆมันนะครับนึกว่าถ้ามันเขียให้มันพ้นไปแล้วมันอาจจะไปรักษาตัวมันเองจนกระทั่งมันหายได้อะไรเงี้ยนะครับ แต่พอไปดูสภาพแล้วนะครับที่มันยังเหลือกคือส่วนหัวไม่ถูกเหยียบส่วนกลางตัวมันถูกเหยียบแล้วรถมันคงเป็นรถที่เหยียบไปแล้วงูมันก็ตัวไม่ใหญ่นะครับมผมผมไม่ได้คิดอะไรนะครับขอโทษผมเล่าอาจผมอ่อนแอมากก็ได้ในช่วงนั้นผมอาจจะอารมณ์อ่อนไหวมากผมร้องไห้ผมรู้สึกรู้สึกสงสารงูเป็นที่สุดเลยร้องไห้แล้วมีความรู้สึกเหมือนว่ามันมันมันคงเก็บมันคงอะไรประมาณนี้นะผมไม่รู้จะทำยังไงผมรู้สึก แล้วผมก็นั่งดูมันนานคงไม่ได้เดี๋ยวรอดถนนเส้นนั้นเป็นถนนไม่เย็ถนนรถเยอะอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีครับเป็นถนนเช่นเรียบคลองชนลประธานแล้วผมก็จากไปผมผมมีความรู้สึกที่ที่สงสารงูมากในความรู้สึกของผมนั้นเป็นความสงสารที่ไม่ได้เกิดจากเสแส้งดัดจริตอะไรเลยนะครับผมก็ผ่านไปช่วงที่ผมมานั่งอยู่ที่วัดอุโมงค์นะครับทีน่นั้นผมพานั่งไปดูภาพเลยใช่ไหมครับ แล้ววันหนึ่งผมนั่งอยู่ระเบียงวัดที่มันอยู่ในเขตที่เป็นป่าแล้วผมได้ยินเสียงกรกัดกรกักรกะปกติผมจะไม่สงสัยเพราะผมเคยได้ยินเสียงนี้แล้วมาจากเตา่าเต่าที่มันคลานไปเพื่อจะไปลงสันแล้วมันหาทางไปไม่ได้มันก็คลานแต่วันนั้นผมได้ยินเสียงพอได้ยินเสียงผมก็ไม่นึกก้อกับเต่าก็ไม่สนใจแต่ปั้กทัมันยังไม่ไปเสียงมันไม่ไปถึงไหนผมเลยหันไปดูพอหันไปดูปรากฏว่าไม่ใช่เต่ามันเป็นงูแงูตัวโตประสมควรด้วยนะครับมันกําลังเลื้อยไปเลื้อยมาอยู่ในซอกหิน ตรงนั้นมันคงเป็นจุดที่งูมาบ่อยยังไม่ทราบลอกอินแล้วผมก็ตอนแรกพอเห็นงูปุ๊บคือมันผมอยู่สูงงูก็อยู่ต่ำลงไปผมหันข้างให้ผมก็ปรับเก้าอี้ใหม่นะครับเราก็หันหน้าไปหางูแล้วมันก็เป็นเป็นลูกโครงไม้ผมก็เอาหน้าไปขับลูกโครงไม้แล้วก็เกาะดูนะครับว่างูมันจะทําอะไรปรากฏงูกําลังเพียนพยายามที่จะลอกคราบผมมีความรู้สึกจะช่วยมันยังไงดีจะเป็นคือความรู้สึกกลัวตอนนั้นไม่มีในความหมายว่าเกลียดและกลัวความรู้สึกว่าจะทํำยังไงเต เราจะไปช่วยเดี๋ยวก็ไปรบกวนมันไปกันใหญ่เลยมันคงต้องการเราะว่างูอยู่ในปากเราจะไปช่วยมันได้มันคงลอกคราบโดยธรรมชาติของมันเองผมก็นั่งลุ้นในงูลอกคราบไปสําเร็จมันเลื้อยก็ไปในซอกหินนะครับซอกหินที่มันเอาไปเข้าไปสร้างเป็นผสมกับซีเมนต์เพื่แล้วมันมีหินก็อนหเป็นทับลอกประมาณสักมากกว่า10นาทีนะจนกระทั่งมันสามารถถอดตัวมันเองออกจากคราบคราบก็ยังติดอยู่กับซอกหินน ผมดีใจมากเลยตอนที่งูลอกคราบเสร็จแล้วมันเลื้อยไปนะครับผมรสึกมันก็รู้สึกเหมือนกับว่าถึงผมจะไม่ได้ช่วยในการที่เอามือไปจับแต่ผมได้ใจช่วยมันและมีความรู้สึกมันเป็นอะไรแล้วผมยังนึกในใจว่าเราน่าจะได้เกิดเป็นงูนอเราจะได้ลอกคราบบ้างเวลาอะไรเนี่ยนะครับก็มีความรู้สึกเหมือนกับ ว, ว่ามันเป็นอะไรที่ที่ที่ดีอ่ะที่ที่เกิดเป็นงูและได้มีโอกาสลอกคราบอะไรเงี้ยนะครับผมผมมีความรู้สึกหลังจากนั้นมาและตอนหลังก็ใหม่ๆตัวอังที่ลอกคราบอยู่บนก้นหนามที่ที่ที่ที่เห็นนะครับ ผมก็ลุ้นตัวที่สอเอ๊ะกลายเปน็นอะไตรงนั้นเป็นที่ลอกคราบงูเป็นยังไงไม่ทราบเนี่ยตัวที่สองนี่ลอกไม่ยากก็ฉลาดตัวนี้นี่นะครับเขาไปเลื้อยอยู่บนลวดหน้ำเพอเลื้อยบนน้ำลวดหน้ำมันจะมีแผลมลันลอกได้ ไ, ได้ตัวนี้ฉลาดคง ม, มีประสบการณ์ในการลอกคราบที่ดีแล้วคราบก็ยังเหลืออยู่ในปัจจุบันนี่นะครับดีมากอ่าแล้วผมก็มีความรู้สึกที่ดีมากดีมากคือเป็นความรู้สึกที่ที่ไม่ได้มองงูเป็นสิ่งน่ากลัว ผมไม่แน่ใจวันนี้เป็นความกลัวตามวัฒนธรรมหรือความกลัวอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นความกลัวแล้วแต่แต่สิ่งหนึ่งก็คือมันมีความรู้สึกเป็นความรู้สึกนะผมไม่ได้คิดว่ามันเป็นเหตุแะ บ, บะเทเหตุผลอะไรที่บอกว่างูมันไม่น่ากลัวไม่ใช่เลยมันเป็นความรู้สึกที่ผมคลายความรังเกียจงูไปได้แต่ผมตอบอาจารย์รังเกียจก็ไม่ได้ว่าสุดท้ายแล้วความกลัวที่ยิ่งใหญ่มันคืออะไรมันเป็นยังไงเนี่ยนะครับแต่ในช่วงขณะเหล่านั้นเนี่ยนะครับพอเรามีอารมณ์เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเนี่ยผมผม ผมมีคำตอบที่จะตอบอาจารย์ชุ่เกยียวอาจารย์ไม่ถามแต่ผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งที่เราเคยไปนั่งสนทนากันที่ขอศิลปะวัฒนธรรมนะครับแล้วผมยังจําได้ผมยกตัวอย่างเพราะผมอ่านจากหนังสืออึศกบึกนะครับผมยกตัวอย่างกรณีว่าเรามีปัญหาด้านจริยธรรมใช่ไหมครับว่าเราจะาทำอย่างไงเมื่อเราเห็นหมดกินไส้เดือนและผมเล่ากรณีที่อาจารย์ชุเกยียวคุณบวยเราไปเยี่ยมหลวงพ่อเมงใช่ไหมครับแล้วขณะที่เราจะลาหลวงพ่อเมงเนี่ยนะครับผมอาจารย์ชุเกียติและใครบางคน แล้วคุณบ๊วยไปเห็นเห็นอะไรนะเห็นไส้เดือนใช่ไหมครับมดกําลังกินแล้วคุณบ๊วยจะพยายามเอาไม้เนี่ยไปช่วยไส้เดือนเพื่อจะไปเขี่ยมดหลวงพ่อเมงตาวาดตาวาดแม่คุณบ้วยทำใช่ไหมครับอ่าและท่านหบอกทำอะไรคุณบ้วยเจตนาดีก็ต้องการจะช่วยไส้เดือนแต่หลวงพ่อเม้งกาลังมองว่าคุณบ๊วยกําลังงงแกมดเพราะนั้นท่านถึงตาวาดที่แล้วผมก็คิดปัญหานี้มาตลอดนะครับคิดมาตลอดแล้วผมกลับไปตอบคําตอบนี้ได้ ตอบด้วยตัวเองนะครับไม่ได้ตอบปัญหาทางปรัชญาหรือจริยธรยรม ท, ที่นักศาาึกศาษาเถียงกันกาาในมหาลัยผมตอบตัวเองได้เมื่อผมเดินที่ดอยที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิงซึ่งเป็นการเดินในป่าและมันอากาศดีมากไม่มีปัญหาเรื่องคนเรื่องผมเดินอยู่คนเดียวในป่าเพราะฉะนั้นผมเดินไปแล้ววันหนึ่งผมเดินไปและผมไปเห็นแบบเดียวกันเป๊ะเลยคือมดกัดกินไส้เดือนผมนั่งลงไปดูอีกเลยทีนี้พอนั่งลงไปดูปรากฏว่าครั้งนี้ผมมีอารมณ์ ดีมากเลยไม่ได้ไม่ได้มีคําถามเชิงจริยศาสตร์ที่ผมสอนหนังสืออยู่ในมหาลัยเลยแต่ผมมีความรู้สึกที่ดีมากที่มดพรมันกัดกินไส้เดือนไส้เดือนมันก็แห้งนะครับแล้วก็มดก็กินแล้วผมเกิดความรู้สึกโอโหนี่มันเป็นอะไรที่เกื้อกูลกันในธรรมชาติผมเห็นความเสียสละของไส้เดือนที่สละชีวิตเพื่อต่อชีวิตให้หมดและผมก็เห็นวนะ่ามดตัวนี้มันคงไปเสียสละชีวิตเพื่อต่อชีวิตอื่นๆ และชีวิตไส้เดือนและมดเหล่านี้มันเสียสละกันเป็นห่วงโซ่จนมาทําให้เกิดอาหารนี้ผมกินโอ้ผมนั่งลงด้วยความรู้สึกขอบคุณมดและไส้เดือนด้วยความรู้สึกว่านี่ไงชีวิตของเราที่ยังอยู่ได้ก็ห่วงโซ่ของความเสียสละเหล่านี้ผมไม่ได้ถามคําถามเชิงกริยศาสตร์แล้วว่าผมควรจะทําอย่ายงไรเมื่อเห็นหมดกัดกินไส้เดือนเหมือนกับตอนที่ผมเจอปัญหาที่วัดอุโมงตอนที่เราไปเยี่ยมหลวงพ่อเมงกันเนี่ยนะครับและผมตลับพบว่า มันไม่ใช่เรื่องการเบียดเบียนในความคิดของเราแต่มันเป็นเรื่องที่เมื่อเมื่อวันหนึ่งไส้เดือนขึ้นมาบนผิวดินมดก็กัดกินเป็นอาหารและวันหนึ่งมดเหล่านี้ก็คงตกไปเป็นอาหารของกบของเขียดของไอตะกรวดอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้ววันหนึ่งกบตะเกียดตะกรวดนั้นก็อาจจะสุดท้ายก็เนี่ยมาเป็นตัวเราที่เดินเดินอยู่เนี่ยก็เราไปกินสิ่งนั้นนั้นมาเป็นอาหารและผมกลับพบว่าในบรรยากาศเช่นนั้นเนี่ยนะครับ ในในในเขตป่าอุทยาแนแห่งชาติแม่ปิงเนี่ยด้วยการที่ผมเดินไปอย่างเนี้นะครับผมกลับตอบคําถามที่ผมเคยคิดในห้องเรียนเป็นเวลานานมากได้และผมก็ตอบคําถามแบบนี้หลายหลายคำถามที่เคยมีอยู่ได้ในช่วงของการเดินไม่ได้ตอบถามวิชาการนะครับตอบด้วยอารมณ์ผมเองว่าผมผมเข้าใจถึงนะ ทองมนก็ไม่ใช่ที่ของเราปากไม่ใช่ไปแล้วท่านวัดก็ไม่ใช่ <c oughs> ลวลาแต่ทีนี้ถือว่าเราในฐานะผู้หญิงในสัคมแบบนี้เราจะดี เงียบอเดี๋ยวผ ม, ผมพูดนิดหนึ่งพอดีนึกถึงเรื่องผู้หญิงได้เรื่องหนึ่งคือช่วงที่ผมเดินไปที่อำเภอปราณบุรีนะครับผมไปพักที่วัดเขาน้อยล่างที่เข้าไปพักวัดนี้ก็ไม่ได้มีเหตุอะไรมากมันเย็นก็ใช่แหละแต่มันมีเขียนว่าวัดเขาน้อยล่างสำนักวิปัสสนากรรมฐาน ผมติดใจคำว่าสํานักวิปัสสนากรรมฐานด้วยความรู้สึกว่าผมควรจะได้วัดพักในวัดที่เป็นสํานักวิปัสสนาเพาผมจะได้ไปกราบพอดีผมมีข้อสงสัยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการปฏิบัติส่วนตัวของผมอยู่เนี่ยนะครับผมก็เลยเดินไปที่วัดนี้เข้าไปถ้าเราถ้าเราขับรถไปจากทางกรุงเทพไปภาคใต้วัดนี้อยู่ทางด้านซ้ายมือขวามือเป็นวัดเขาน้อยบนนะครับมันมีวัดสองวัดชื่อเหมือนกันมันจังมีพระล่างกับวระบนอยู่เนี่ยนะครับผมเดินเข้าไปในวัดนี้เมื่อไปถึงที่วัดเข้าไปหาพระ ท่านก็แจ้งให้ทราบว่าไม่ได้เป็นสำนักวิปัสสนาแล้วตอนนี้เนือเ่องจากหลวงพ่อเจ้าว่าท่านมรณภาพไปไม่มีผู้ใดที่จะสอนอท่านถามว่าโยมมีธุระอะไรผมก็บอกว่าผมเดินมาผมเห็นเป็นสำนักวิปัสสนาก็มีความประสงค์ที่จะใคร่ได้กราบเรียนถามข้อสงสัยบางประการท่านบอกว่าโยงลงไปหาแม่ชีสิคือแม่ชีคือวัดนี้มันมีเขตแม่ชีในฝั่งแม่ชียังมีการปฏิบัติกันอยู่ ผมก็เลยเก็เข้ามาในวัดแล้วไม่มีพระก็แม่ชีก็ยังดีในความรู้สึกของผมเนี่ยนะครับผมก็เลยไปในเขตแม่ชีพอไปในเขตแม่ชีก็มีแม่ชียอยู่เยอะหลายคนผมก็ไปพบแม่ชีคนหนึ่งแล้วก็กราบเรียนใท่านทราบว่าผมเดินมาได้ไปกราบเรียนพระทางฝั่งนูน้นท่านบอกว่าหลวงพ่อที่สอนวิปัสสนากรรมาฐานได้มรณภาพไปแล้วแล้วผมก็ไม่มีโอกาสได้ซักถามท่านแต่ทราบว่าทางฝั่งแม่ชียังมีแม่ชีที่สามารถสอนวิปัสสนากรรมาฐานได้อยู่ แม่ชีท่านนั้นก็ตอบว่าขนานี้แม่ชีที่มีที่เป็นผู้สอนเนี่ยครับกำลังทําสมาธิอยู่จะออกจากสมาธิก็คงเป็นช่วงหัวค่าหรือเย็นประมาณนี้นะครับแล้วผมบอกว่าถ้าผมจะกรรควนสนธนาธรรมกับท่านได้หรือไม่เขาบอกได้ได้แล้วผมก็เลยแม่ชีบอกว่ามาอย่างไงพอรู้ว่าผมเดินทางมาแม่ชีก็เลยมีน้ําใจเอื้อเฟื้อจัดที่พักให้ผมเลยในวัดนะเป็นฝั่งพระแต่จัดแม่ที่เป็นคนรับผิดชอบรู้แหละผมก็พักที่วัดนี้ ตอนเย็นผมไม่ได้ไปเดินหาแม่ชีแล้วแม่ชทีที่ที่บอกว่าเป็นหัวหน้าแม่ชีแล้วก็แม่ชี3ท่านก็ประเดินไปหาผมที่กุฏิเลยนะครับเราได้สนทนากันพอสมควรรายละเอียดผมผมไม่ ต, ต, ต้องต้องต้องเล่าแต่ประเด็นของผมคือที่ผมมีความรู้สึกสะเทือนใจและรู้สึกคิดมากเลยในกรณีแม่ชีเนี่ยนะครับคือคิดในความหมายผมจะใช้ชีวิตผมเพื่อเพื่อทําอะไรได้บ้างเพื่อสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือตอนที่ไปทุนน่ากับผมเนี่ย แม่ชีไม่ได้สอนหรอกถามผมก่อนว่าผมเดินมาเป็นยังไงผมก็เล่าให้ฟังด้วยความที่ผมอยากจะกราบขอคําแนะนําผมก็เล่าให้ฟังว่าผมเดินมาผมใช้วิธีเจริญสติปัฏฐาน4ี่ใช้วิธีกําหนดจิตให้อยู่กับอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันด้วยการกําหนดก้าวย่างซ้ายฝาให้สัมพันธ์กับลมหายใจผมก็เล่าเทคนิคของท่านให้ผมฟังนะแล้วก็เกิดอารมณ์เป็นยังไงเป็นยังไงผมก็เล่าให้ท่านฟังเล่าให้ท่านฟังเมื่อผมเล่าเสร็จผมก็ต้องการจะถามอะไรบางประการแต่แม่ชีท่านก็จิงพูดตัดซะก่อนบอกว่าคุณไปไกลกว่าแม่แล้ว คือท่านไม่ได้พูดกับผมในความหมายว่าจะไม่สอนน่ยนะแต่ท่านบอกว่าคุณคนนี้ไปไกลกว่าแม่จะแล้วอะไรประมาณนี้นะผมก็ไม่เข้าใจความหมายว่าไงแต่ความหมายก็หมายความว่าท่านก็ไม่สามารถจะผมบอกว่าไม่หรอกผมไม่ต้องการจะพูดถึงไปไกผมต้องการที่จะขอให้แม่ชี้ด้วยชี้แนะผมได้ช่วยชี้นาผมว่าถ้าผมทํามาอย่างนี้เป็นอย่างนี้ผมเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับคุณแม่จะมีอะไรที่บอกผมไม่บอกไม่หรอกแม่ไม่มีอะไรจะแนะนําคุณแล้วแกก็ยังครั้ไปพูดกับแม่ชี3ท่านที่นั่งอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยนะเขาบอกว่า คุคนนี้ถ้าเป็นพระพวกเราก็กราบไหว้แล้วขออาราธนาอยู่ที่นี้จะเลยจะดีกว่าผมก็ไม่รู้จะทั ก, กท่านว่าไงนะครับเอาเป็นว่าคืนนั้นก็จบกันเราสนธนาพอสมควรรุ่งเช้าเนื่องจากผมได้รับอนุเคราะห์จากแม่ชีเ่อผมจะเดินต่อผมก็เลยไปกราบลาแม่ชีที่เป็นหัวหน้าแต่แม่ชีที่ช่วยดูแลผมในตอนเย็นที่หาน้ําหาเครื่องดื่มให้ผมท่านก็อยู่ด้วยแม่ชีที่เป็นหัวหน้าพอเห็นผมไปปุ๊บท่านเตรียมไว้แล้วท่านมีซอง แล้วก็มายื่นให้ผมผมยกมือไหว้แล้วผมก็รับผมถามว่าเป็นอตอนแรกนึกว่าจะเป็นหนังสือหรือเป็นเอกสารอะไรที่ให้ผมท่านบอกว่าแม่ขอร่วมการเดินทางของคุณด้วยผมถามว่าเป็นอะไรครับท่านบอกว่าปัจจัยพอเป็นปัจจัยผมก็รู้ความหมายคือเงินใช่ไหมครับผมก็รีบคืนท่านแล้วก็บอกว่าผมไม่ต้องการใช้สตังค์ในการเดินทางเพราะว่าผมเดินมาเพื่อต้องการที่จะได้พบกับอะไรที่ว่าเนี่ยนะครับท่านเข้าใจทั้งก็รับคืนแต่ตอนที่ผม จะเดินออกมาเนี่ยนะครับแม่ชีคนหนึ่งซึ่งเป็นแม่ชีที่สูงอายุแต่ว่าบวชใหม่นะครับนะครับแต่อายุท่านมากกว่ า, วาน้าแม่ชีอีกอผมจดชื่อท่านไว้ด้วยท่านก็บอกว่าคุณจะผิดกฎอะไรไหมถ้าแม่จะขอให้คุณช่วยแวะที่วัดวัดหนึ่งท่านเอ่ยชื่อวัดนะครับอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุณไปแวะพักที่นั่นทักคืนหนึ่งได้ไหมผมถามว่าคุณแม่มีความประสงค์อะไรถึงต้องการให้ผมไปพักที่นั่น ท่านก็บอกว่าลูกสาวของท่านเนี่ยนะครับได้บวชเป็นชีมาตั้งแต่อายุไม่มากนะครับที่ท่านได้มาบวชเพราะเหตุว่ามีลูกสาวคนหนึ่งบวชเป็นชีอยู่แล้วทัพอแก่ลูกลูกสาวก็เลยแให้แม่มาบวชเป็นชีลูกสาวของแม่นีนบวชมานานแล้วนะครับแม่มีความรู้สึกว่าเขาควรจะได้พบกับคุณสักครั้งหนึ่งขอให้คุณไปแวะพบเขาได้ไหมผมถามว่าทําไมล่ะครับแม่ก็บอกว่าถ้าเขาได้มีโอกาสพบกับคุณเขาน่าจะได้ประโยชน์จากการบวช แม่ก็ไม่มีความรู้อะไรมากเขาบวชมานานแล้วเขาน่าจะได้ประโยชน์แม่ก็ไม่รู้แม่ก็ไม่รู้จะถามอะไรคุณแต่แต่ลูกของแม่น่าจะมีอะไรถามคุณได้อย่างเงี้ยผมก็ก็ออกตัวบอกว่าคุณแม่ครับผมไม่ได้มีความสามารถที่จะตออคําถามใครได้เอาเป็นว่าถ้าผมไปถึงประจวบแล้วมันมืดที่นั่นผมอาจจะแวะที่วัดนี้แต่ถ้าสมมุติไม่มืดที่นั่นและมันไม่เหมาะที่จะได้พักก็ขออย่าเป็นว่าผมปฏิเสธคําขอของแม่เลยแต่แต่ผมก็ ดิน อ, อมาแล้วผมก็มีความรู้สึกเลยความรู้สึกอันหนึ่งเกิดขึ้นในใจผมตอนนั้นคือเป็นความรู้สึกที่ไม่มีเหตุผลอะไรนะครับเป็นความรู้สึกสะเทือนใจที่ทําไมผู้หญิงในสังคมไทยนะครับเพียงแค่ต้องการจะออกบวชหรือทําอะไรก็แล้วแต่เพื่อปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจึงขาดแคลนคือทั้งแม่ชีที่เป็นหัวหน้าและแม่ชีที่ทมาขอพรพ่อพุธสาวแกนเนี่ยเขาพูดกันต่อหน้าผมบอกว่าคนคนนี้ถ้าบวชเป็นพระเนี่ย พวกเราจะได้เรียนจากเขาประมาณนี้นะครับและเขายังพูดต่อหน้าผมอีกครั้งบอกว่าถ้าบวชเป็นพระเมื่อไหร่จะลืมกลับไ ป, ไป เ, เขาที่วัดเขาน้อยล่างประมาณนี้นะครับในความหมายอย่างนั้นผมไม่ได้คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ยกย่องผมแต่ผมกำลังคิดว่าผมรู้สึกเป็นเป็นหนี้บุญคุณอะไรบางอย่าง ก, กับแม่ชีที่จัดที่พักจัดน้าให้ผมเนี่ยบอกว่า ความรักของแม่ที่มีต่อลูกมันก็ยังมีอยู่ตามธรรมชาติฟันวันหนึ่งเมื่อแม่ชีคนนี้คงได้ยินได้ฟังอะไรที่ผมพูดและแกเกิดความรู้สึกว่าแกไม่รู้หรอกจะเป็นอาหารแกกินไม่เป็นหรือว่ามันรู้สึกอร่อยหรือไม่หรอแกไม่รู้แต่ผมถาว่าถ้าลูกแกได้ได้ฟังคงดีขึ้นละมันเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าเป็นอารมณ์ความรู้สึกของของผมที่เกิดขึ้นแล้วก็พูดต่อหน้าทานาจารย์ถึงกรณีเรื่องเรื่องผู้หญิงทําอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยนะครับ และผมเข้าใจเลยว่าในสังคมไทยโดยมิติทางวัฒนธรรมและมิติทางธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่นี่ผู้หญิงไม่มีโอกาสอย่างผมนะครับและผมก็เลยมีความรู้สึกเมื่อกว่าถ้าผมจะมีโอกาสทํางานรับใช้อะไรผู้หญิงบ้างผมก็มีความรู้สึกตั้งแต่วันนั้นเลยว่าผมถึงผมจะไม่ได้บวชไม่ได้กลับไปสอนแม่ชี3ท่านที่ที่พูดผมเนี่ยแต่ผมก็คิดว่าผมควรจะได้ทําอะไรเล็กๆน้อยๆเพื่อส่งเสริมอะไรที่มันเป็นไปเพื่อสตรีผู้หญิงเนี่ย ไอความกลัวเนี่ยมันไม่มีว่าทำหรอกกลัวหิวกลัวสัตว์กลัวตายกลัวอะไรนั่นแหละ น, นีมันเหมือนกันแจ่แต่ว่าเราเอาเรื่องว่าทำเนี่ยมาเป็นข้ออ้างเพื่อว่าเราจะได้มีความกลัวนั้น ไ, นไว้ได้แล้วก็ เ, าเรามันก็กลายเป็นเรื่องที่มันพูดแตบบหลัง่งก็คือมันเทคอินฟลูเอนเซชก็คือถือว่าเป็นเรื่องเราก็มองข้างไปอะ่ะนั้นดาราคนนี้กลัวที่แค่ก็ไม่เป็นไร แ, แล่ะคนเราบางคนกลัวความสูงบางคนกลัวอะไร ก, ก็ไม่คิดจะไปเอาชนะหรือไปอะไรตรงไห น, น เพราะมันกลายเป็นเราก็บอกว่ามันก็เป็นทุกคนต้องมีเท่านั้นมนก็ไม่ต้องไปทำอะไรแค่จบล้วก็เลยมองข้ามไปมีผู้สิงหรังมีความกลัวเนี่ยผมว่าเราก็มีคนไทยก็มีแล้วบางทีเราก็เราก็ เ, กเกทเติดโปรแกรมแต่้องมองข้ามไอย่างเงี้ยนะฮะผมยกตัวอย่างสบัยผมทางานอยู่ที่กรุงเทพที่ฝั่งธนเนี่ยออฟฟิศเนี่ยคือถ้าเดินจากท่าเรือมาแถวบางสาเนี่ยมันจะมีวิธีเดิน2วิธีวิธีเดินที่อ้อมหน่อยเนี่ยมันก็เดินตามถนน วิธีเดินที่รัดหน่อยก็คือเดินผ่านโซนที่เราเรียกว่าสลัมนะฮะก็เป็นซอกแคบๆนะฮะทีนี้เวลาเดินเนี่ยปกติถ้าผมไม่รีบเนี่ยผมก็เดินถนนเพราะความรู้สึกเรามันในเรื่องว่าทําเนี่ยในเรื่องสังคมเนี่ยเราถูกสร้างมาว่าเฮ้ยเราไปเดินมั้นอันตรายนะฮะสื่อบนชนก็จะสร้างภาพตรงนี้ว่าคุณไปเดินเฉียดที่นี้อันตรายนะฮะมันเป็นซอกแคบๆอ่ะแล้วก็ก็ตักทุบตักท่าแล้วก็มีครอบครัวมีอะไรบนสลัมดีๆเนี่ย เราก็เราก็รู้สึกผมก็ไม่เคยรู้สึกเลยนะคือบางทีก็เดินแต่เดินน้อยแต่ยอมแล้วว่ากลัวแล้วก็สมวนมากก็จะเดินตามถนนนะก็ไม่เดินทีนี้มีเพื่อนฝรั่งมามาเขาก็เดินจากท่าเรือมาทีเขาก็เดินมาตามไอไอซอกสลัมเนี่ยมาที่ออฟฟิศมาทุกวนันผมก็เอ๊ะผมก็ถามว่าเฮ้ยทำไมยูนเดินอย่างงี้ไม่กลัวเหรอเขาบอก คุณทำงานเพื่อคนยากจนคุณทำงเพื่อคนพวกนี้แล้วคุณไปดันถือต้นหนอแล้วคุณจะไปรู้กับเขาได้ยังไงบอกว่าเออให้กระจิงไวเพราะว่าเพราะว่าคุณบอกคุณทํางานเพื่อสังคมคุณทํางานเพื่อคนอื่นให้แล้วคนนี้เขาดชนนั้นเลยคุณไปเดินเลี่ยนไปทางโน้นบดนะผมก็ฉุกใจกินนับแต่นั้นมาก็รู้สึกก็ลองเดินดูลนะแรกๆก็กลัวรู้สึกแปลกๆเหมือนกันแต่ที่ผมอยากจะบอกเหมือนอย่างที่ประเด็นที่ที่จ๋าพูดเนี่ย ฝังเรื่องเป็นเรื่องที่สังคมเนี่ยเป็นเรื่องที่วัฒนธรรมเป็นเรื่องที่สื่อมวลชนเนี่ยสร้างขึ้นมาผมว่าผู้หญิงก็เหมือนกันหลายเรื่องนะผมว่าเป็นเรื่องที่เป็นการสร้างข่าวขึ้นมาอย่างัตราการข่มขืนการทำร้ายทางเพศอะไรผมว่าบางอย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่สร้างข่าวขึ้นมาเพราะจริงๆเนี่ยผู้หญิงถูกทําร้ายเนี่ยผมว่านะสี่สิ่นะถูกทำร้ายในครอบครัวมากกว่าตามอันนี้คือข้อจริงใช่ไหมผู้หญิงที่ถูกทําร้ายในครอบครัวเนี่ย มากกว่าผู้หญิงที่ถูกทำร้ายทําท้อเรารับดูก็ได้ข่าวที่ผู้หญิงถูกข่มขืนในแต่ละวันมันมีจริงๆแต่ว่าผู้หญิงที่ถูกทําร้ายในครอบครัวถูกสามีถูกอะไรบังคับถูกข่มขืนถูกอะไรต่างๆโดยที่ไม่ถีกฎหมายเนี่ยผมว่าเยอะกว่าเยอะแล้วปุตติขั้นะโอกาสในทางสามันเยอะกว่าเยอะแต่ตรงนี้มันไม่เป็นข่าวถ้าทําสถิติมาผมว่าเยอะกว่านะน้เรื่องของความตัวในครอบครัควแรงในครอบครัคว ม, มันเยอะกว่า ที่เขะทำกับผู้หญิงเนี่ยมันเยอะกว่าทำดูแลที่กระทํากับผู้หญิงตามต้องเขานนะแต่แที่ผมอยากจะบอกคือคลเนี่ยที่เป็นแล้วมันถูกทําให้เป็นว่าเร่าแล้วเราก็มองข้ามไปแ ล, แล้วก็เฮ้ยเราไม่เห็นกลัวอะไรแต่จริงๆยุๆ่ยๆจะ ก, ล, กลัวนั้นอย่างผมเดินทุกวันเนี่ยผมก็ไม่เคยนึกถึงเรื่องความกลัวหรอกจริงๆก็คือสังคมก็สอนเรามาโรงเรียนสอนเรามาว่าอย่าไปเดินเข้าไปในทางพวกนั้นอย่ยอันตรายใช่ไหมแล้วก็ไม่เคยคิดถึงเรื่องนั้นเลย ก็หลังเพื่อนก็หลังคนนี้เราบอกเฮ้ยเราก็ถูกใจคิดเหมืนอนกันเลยจริงจงลึกๆเนี่ยเรากลัวเราเราเกียบเท้าเราถึงไม่ไปเดินตรงนั้นกันเา้านะจริงๆการที่อาจารย์ไปเดินเนี่ยผมว่าดีมากเลยมันได้สัมผัสจกเพราะคนที่คนที่เดินตามข้าถนนเนี่ยก็มีแต่คนชนคนชนคนก็มีรถมีอะไรไปโอกาสที่เราจะสัมผัสคนพวกนี้เนี่ยน้อยมากดังั้นการเดินนี่ผมว่านี่ส่งสาคัญเลยนะมันจะได้ไปสัมผัสจาก คนที่อยู่ข้างล่างจริงๆแล้วก็มันเป็นมันจะได้สัมผัสแต่ไอ้ความกลัวลึกๆที่เราบอกปากเราบอกว่าเราทำเพื่คอคนอูรเพื่อสังคมแล้วเพื่อสุยากคนจริงๆเนี่ยเราราเกียรควจนเรากลัวความจนแล้วเรามีอคติแล้วก็เราระแว ง, งความวจนมีปากเด็ครับคูอ คือหมายความว่าในขณะเดินไปเนี่ยนะครับผมก็ได้ขอโทษเป็พูดเป็นภาษาพระนิดนึงเพราะว่าไม่รู้จะใช้คำยังไงคือผมพยายามจะระวังเป็นอย่างยิ่งที่จะไม่ให้นิวรนเกิดขึ้นในใจผมทีนี้อารมณ์ที่มันเป็นปฏิฆะหรือเป็นความโกรธเนี่ยนะครับผมจะระมัดระวังมากว่าจะต้องไม่ให้เกิดเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อไรเนี่ยนะครับจะต้องจะต้องรีบกําจัดอย่างรวดเร็วแล้วผมก็ถือแบบพระ คือถ้าผมปฏิญญาใดและถ้าสิ่งใดมันเกิดเนี่ยผมก็จะรีบปรองอระบาดถ้าอยู่ในเขตที่มีต้นไม้ได้ผมไปคุกเขา่าโคลนต้นไม้เลยบางทีเนี่ยครับคุกเข่าหัวไปโขกไว้กับต้นไม้แล้วก็ใช้ภาษาที่บอกว่าท่านลุกกเทวดาผมวันนี้ผมได้ผิดพลาดผมคล่องกร่อยให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาในจิตผมได้สานึกรู้แล้วว่าสิ่งเหล่า น, นี้เป็นความผิดก็จะนั้นขอท่านึ่งรับรู้ ผมก็ได้ยินเสียงแว่ว่าเออดีแล้วมึงอย่าทำอย่างนั้นอีกประมาณนี้คือคือตรงนี้ก็โทษนี้เป็นวัฒนธรรมพระนะครับถ้าใครเคยบวชพระผมทราบว่าเมื่อเราเป็นพระแล้วเราสมาทานอะไรไปแล้วสิ่งนั้นมันตกหล่นไปเนี่ยเราก็ต้องรีบสารภาพผิดผมก็ใช้วิธีนี้นะครับในการลงอาบัตผมผมเลยไม่ได้มีจิ่งนี้แต่มันมีสิ่งหนึ่งคือผมที่ผมเกิดความรู้สึกแหวกมากนะครับคือแม้จะไม่โกรธที่เป็นปัจจุบันเนี่ยขอโทษนะครับที่เราพูดกันตร ง, ตรง เรามีอารมณ์ขุนเคืองให้เสียงให้ใครจะมีผ่านครับครับเรามีความขุนเคืองใครบางคนอยู่ในใจอยู่ในอดีตและผมพบว่านะครับเมื่อผมไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเวลาผมมีเวลาที่จะไข้ครวญเพื่อจะไม่ให้เกิดความโกรธเนี่ยนะครับและผมพยายามตรวจสอบวันนี้ผมผมกลับคิดถึงคนในอดีตที่มันผ่านมาแล้วคือคนที่ไม่ได้เป็นปัจจุบันแล้วผมมีความรู้สึกที่แย่มากแย่คือเสียใจอ่ะขอโทษ บางครั้งผมนึกถึงเจ้าตัวอย่างก็ได้เพื่อนร่วมงานสักคนนึงที่ผมเคยโกรธเคยเกลียดเขามากๆาเนี่ยนะแล้ววันนั้นผมรู้สึกผมเสียใจมากเลยว่าทำไมผมเก็บอารมณ์นี้เป็นนานมากขนาดนี้และมีความรู้สึกพะว่าถ้าเป็นไปได้ตอนนั้นถ้าสมมติว่าเหมือนเกิดปาฏิหาริย์แล้วก็เดินผ่านมาในผมอยากจะวิ่งเข้าไปแล้วก็ขอคลุกเขา่า ไหว้คนๆนนั้นแล้วบอกว่าผมผิดผมขอโทษมากที่ผมโกรเขามานานเนี่ย น, นะครับแต่ปัจจุบันผมจะไปทำอย่างนั้นทั้งที่ความจริงแต่ผมไปหาเขาแล้วผมบอกเขามาขอโทษนี่มันก็เกิดกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปซะอีกใช่ไหมครับมันก็อาจจะบ้าแล้วประมาะไปเดินแล้วบ้าเลยละมานเนี่ย น, นะ <laughs>